มาทายิบปาถิ่อยากปฏิบัติสะดวกน่าเลยแต่ผมบอกเราพวกเราเคยที่ไม่เช่อใจนะเค่เรายินได้ฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่ผก็เป็นไปยากถึงยากก็ไเหลือวิสัยมันพยายามศึกษามันพยายามศึกษายากวางมือในอุ้งเท้ามันยากมันจะเป็นอย่างไร ในใจเสมอให้เดไปไหนได้ยากกะตงทําหน้าที่ขอเรามีหนังคนเทางที่นี้ขุดขักที่นี้จงหวัดไปจุดหมายปลายทางเราอยากจะไปอยู่นี้แตามันยากมันลำบากหน่ไปเราจะนึกอยู่ใจใจมนจถึงไหนได้ถึงยากลำบากก็อีกฝ่ายยายฝ่าฝนไปมันต้องอยากเสียก่อน ผมจะไปพบแน่้ามีใจแข็งแข็งการศึกษาการปิบัติธรรมะเป็นของยากเป็นของลาบากเพราะกาศรรูนเรื่องที่เงเละปัญหาก่าศรรูนเรื่องความจุดจุนของเรามาแต่ไหนแต่ออไรธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นขารร่าวสุดกับยิ่งเลยเพราะแต่ทำอะไรไปมันต้องขัด จางหวะอาไว้ำแหมข้างนันก็กลัวจะมึนๆเรือุ่มนี้จะทํางานโดยสะดวกเหนี่หาเงินเคลยบไปต่างๆนั่นนะค่ะอยูเนี้ภาะหน้าที่ทำงานคอยู่ตรนี้ภาะหน้าที่าำงานก็กลัวขาดันมันจนทั้งกป่วยไข้ควาเีบไปต่างๆมันสำหรับยุเด ในอย่างนั้นพหนาทของเียวกเรามันก็หมดไปแล้วทำไมเชื่อเรื่องทองพิเขี่ยของเรื่อง้ทแต่เราเชื่อเรื่องท้องทำอย่างไ้เราต่จะทาถึงยากถึงบากขนาดไหนก็คนหยุดคนไปทาให้ทําทำงไปมาวหนอะไรเกิดขึ้นจะไม่ยอนหยุด ต, ต่า้าาทอย่างเอาจิ้มเอาปส่เ่ทุกคนทำอย่างนั้นหยคดามเอาใใส่หยุดทำใส่ใจจิ้มใสถึงอากถึงหกักก็จะมีอกาสเวลาได้รับคุณค่าตอบแทนคือความสงบความเย็นเยนขขนน็นท้งองใจการสุขท้องใจ่เชื่อต่าเมื่อท้องชีวิตก็จะมีอกาสเวลา ยงหนน้ังเด็กก็ว่ายังหนุน้ังเด็กดูเทาทมได้ท่ากันม่ขับคืทำไมจะถอว่าทำหะ้าที่มีหน้ามีหลูกมีหลานก็อยู่หละจดตหลกเปหลานยางทำได้จิตใจจิตใจต่างๆพ่อ้ามาก็อ้าจตใจไ่เป็นท่าจะาให้ทไม่ได้ เรื่อะไรมันมีโอกาสเวลาห้แเราไมา่เชื่อเรื่องข้ามันเราจะทำให้จริงใหเห็นให้รู้จริงจังจะนิ่น้อยอย่าตามอย่เท่าก็่าตามคุณงามคําดีอัรรมไม่มีแฉไม่มีหน่นเป็นอันเดยวกันหยุ่ใจทือมีก่เลอปัญหาเป็นอันเดยวกันชระได้ตัสางได้ เยายามกำหนดฝึกกะหนดใจทั้งตนหากฝึกเคยฝึกเคยอกทนเห็นผลคือความสงบสงัดของใจจะไปเลยจำคับจำใช้ถ่าก็เคยฝึกเคยสบายเคยได้จา่าจางแต่ทำมันเชื่อมังไม่ได้ทำอย่างนั้นจุดใจใมันไม่สบาย แต่ไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดถ้าเราสงบใจให้สงบรู้สึกว่ามันสึกมันสบายถ้าจิตใจวุ่นวายสึ่งจุ่มสั่งๆรู้สึกเสีใจให้ตัวเองนี่คือคนใคยเห็นผลจากการการทำบาเพ็ญเคร่งศพจะมีครูมีอาจารย์แนะนหรือไม่ตัวของเราเองก็ตั้งใจจะทําอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่เห็นคุค่าของธรรนะเป็นคุณค่าขอ ง, รราของการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดอยู่กับอัดกับทำเราอยู่กับโลกเรย่อยู่กับยุเรศเรื่องหน้าศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในที่เจรณาให้ผ่อนใจละถอนเรื่องต่างๆกับทุกคนมันมีสัญญาอา แต่ใมันใ น, นมือาอะจะทำกณีนั้นกันสัำยาอในอย่างนั้นท่านกเลยง ม, มาแนะสอนพัทยาลิสันด่าเหาตุใดเขาถอจอยวางน้าอามเทั่าไปแล้วจะเอาอะไรนะแนะสอนสน้ำดาอาวมหรือขัน5คือท่านเก่าไว้รูปเวทนาสุขทุกเฉย อย่าเรียนพัฒนาสัาญาคือความจดจำความหมายต่าง ๆ, งๆทั้งฐานคือความเป็นตั้งใจยินยอมคือความรับรู้จากอายตนะเมื่ออยู่ถ้าหากเราศึกษาในด้านธรรมะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นธรรมะถ้าเราไม่ศึกษาในพัฒนาสิ่งนี้จะเกิดเป็นโลกทําให้โลกให้เกิดให้หลงทําให้เดือดร้อนย่นยอม กสักกสาสสบายใมี 10, อสกมือสบายใจจิตเนี่ยพิจารณาเต็มที่จะ เ, เป็นดีนุกบริสุทธ์เข้าใจถนัดชัดเจนว่าขันอันนี้เป็นเรื่องของขันไม่ใช่เรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่สิ่งเหลา่านี้มันติดบังเอาไว้ให้เห็น ไม่เหงารู้ตามความเป็นจริงของมันกว่าจะไปถึงขั้นนั้นมันจะต้องที่ททมิจฉาเนาไปสายทางในอย่างไรว่าจะต้องเลืนไปเงินบันไดถึงมันจะขึ้นได้ก็ต้องขึ้นไปเมื่อย่างนั้นจะไมาถึงบ้างจางจะทํามันเพิ่มก่อนทำนอเดียวกันขอทุกท่านใจมั่นที่ทมิจฉาเนานำธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาเพราคนเราเกิดมา มันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดามันมีใครในโลกที่จะเหลือหล่ออยู่ได้จะแพิเพลิมเมามาไปเท่าไรความแก่ควาเจ็บทวาตายนั่ น, นก็ไ ม, ม, ม่หลึ่งหลงแพิดเพลินไปตามเราเราจะ น, นั่งจะนอนจะกินจะดื่มอะไรความแก่ความเจ็บทวาต า, มามยตา ม, ตามันจะประจาอยู่ในถาดในขันเหลือ่อยไปเนื่อเป็นอย่างนั้นจะควรนอนไปอะไรกัน รนถาดในขันเมืม่อคนงานทำดีอะไรยังไหนมีในตักของเราเราตายไปตาสตบได้ดีไหมเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดผดุเกิดพระธิดาหรือจะไปเกิดเป็นอะไรขางหน้าเมื่อเรายังทราบในได้าจะควรนั่งใจทัศผ์คจะไใเรายังไม่ท้าบรือเราาบแล้วการไปเกิดในสึก ท, ที่ต่งาง ยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ยูนิตนั้นมันเป็นทางดีหรื อ, มอ ไ, ไม่เกิดเป็นสถานที่ใดเมื่อเกิดได้นั่นก็ดับได้ควรมึกหยุดอารมณ์ใจทั้งตัวให้ถึงจุดหายตายพังสุดยูนิตเ่อถึงยูนิตแล้วจิ่งจะบริสุทธิ์จิ่งจะปรอดภัยแม่มีอะไรที่จะมาเกยวข้อง ให้เฉงใสไม่มีอะไรที่จะมาก่อเกลนให้เกิดทุกข์อีกน่าจากทุกข์ในขันที่ยังมีอยู่เท่านั้นส่วนทุกข์ในการละการมันเทมส่วนทุกข์ในจิตในใจอย่างโศกปฏิโทะไม่มีในความบริสุทธิ์อันนั้นนี่ขานธ์พูดสึกอวมจิตจึงได้เสื่อมถูกเราเะด็จสบาย นายยน่งเหยงเยงไทั้งสินโลกเขายุ่งหยิงเหยิงไปทั้งสนโลกเขาหลงทำกันไม่หลงโลกเขาทุกข์ทกัไม่ทุกข์่องเหล่านี้มีใครที่จะเชอกันได้หน่อกจะอของเราเองจะเชืตัวของเรานันคืออบรมศึกษาน่นือที่เจรนากาหนดเรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ หากฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้ า, จาจเป็นดีวิเศษไมได้คร อ, อาจาย์าวกที่จะ้นไปจากโลกคนไปไม่ได้ถ้าฝไม่ได้ก่อนท่านก็นเหมือนกันกับเพวกเราท่านมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าถ้าเมามีตัมะ ท, ที่จะสร้างดีชั่วให้เกิดขึ้นได้นั้นมีอยู่ดีชั่วที่เราจะําระหรือบำเพ็ญทุกสิ่ทุกอย่าง มันจึงพร้อมอยู่ในตัวของเราอย่าแช่อยู่ในที่อื่นเมื่อตัวของเราเอาใจใส่ปัดเป่าที่เล็กปัญหาตายตามสายชั่วให้หมดไปสร้างคุณงามความดีผิวสมาธิปัญญาให้มากขึ้นความบริสุทธิ์แต่ตอไปถามถึงมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือนกันกันกบทุเรียน หรือมือม่วงขอให้บำรุงราต้นของมันให้ดีเมื่อมันตกดอกออกผลแก่สุดเต็มที่เราต้องไปหาอะไรมาใส่ให้มันหวานมันหวานเองทำไมหรือจิตใจทั้งพวกเราท่านเมื่อมันถึงสุดสุดกับทํานาเดียวกันมันหลุดเองเมื่อบำเพ็ญดีความหลุดนั้นไม่ใช่อะไรจะตุ้งแต่งเอา มันเป็นต้องมันฉะนั้นตนัวไหนมีปัญหาแต่มันหลุดเรื อ, อยังเพราะตัวของตัวมีสติมีปัญญาที่จะามามาตามขั้นของความสงบของความละเอียดของใจก็ถึงที่สุดแล้วจึงไหนมีปัญหาอะไรคือใจติดข้อขอส้องัญขอให้ต่างใจทำ ธรนมะสีธรรมะเป็นป <spe> ัจจิตตังเป็นสันทิปโกมันมีอยู่ทุกข่านเวลาขั้นต่ำขั้นกลางหรือข่านสูงสุดเจอเรามาดูพี่จมาดูว่าสันทิปโกเห็นเองเห็นอย่างไรโกคิเรเจอขึ้นก็เห็นความสงบเกิดขึ้นก็เห็นเห็นเองในจิตในใจทั้งเรามันสงบขนาดไหนสบายขนาดไหน เราก็เห็นมันเกิดขนาดไหนมันเลิกขนาดไหนมันหลงขนาไหนเราก็เห็นเห็นอยู่ในจิตในใจของเราเห็นเป็นตาดําตาแดงจนร้งให้แล้วมันขึ้นจนขี้จนฐานของมันแต่มันไม่พิจาราแต่มันเนสันสุขิตโกความชั่อต่เป็นสันสุขิโกความดูต่อเป็นสันสุขิโกตามขั้นของจิตฐานนั้นจึงมีที่อื่นมีจิตกายจี่ใจทางสําระ ก็ยัมีที่อื่นอีกนั่งกันหากชำระได้ความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็เป็นสัมผิสที่คือกเป็นตับเป็นไตกรจ่างก็ะจังตัวขงตัวอีกเหมือนเด็กถึงผูดมาเป็นเมื่อมันอืน่นมันจะไจิ้มเดี๋ยวอนมันเอาใส่ปากมาันนั้นก็คายออกมาจิตใจคื่มันเพียงพอบริบูรณ์ก็ทำเอานังพยายามทำฝึกตัวเอง อย่างนั้นถึงความอิ่มอ่นถึงความอิ่มแล้วมันเป็นอย่างไรจัดหัวใจ่ในวามอิ่มในตอนเรถามาเราอิ่มได้ยังในบ้าข้างๆตัวอิ่มหน่งด้วยาตัวอิ่มตัวหิ้นึ่งด้วยาตัวหิออ้วการภานากับทำานเดียวกันจิตเดียวนี้มันเคลบมันเต็มในง่ไหนเป็นโลกหรือเป็นธรรม ก็มานั่งหลักหูลับตาเหมือนหัวโตแต่ปิปัญญาหน่มีเราได้นั่งก็ถือว่าดีเท่านั้นแต่มันดีอย่างไรจิตใจใสใสจิตใจเย็นเย็นจิตใจเป็นธรรมได้ไหมมันเดี๋ยวลดเตรวจดูจิตใจคงตัวถึงเวลาทาก็ทาไปถึงเวลาเดินก็เดินไปแต่จิตใจนั่นดีเลยตอบเคร่งธรรมได้ไหย ถ้าทแบบนั้นน้นก็ยากลบาบากที่จะไปประสบความสุขความบริสุทธบ้างอภรรยามีปติรักษาจิตใจของตัวการเป็นเพนภาณาอยากจะชี้ว่าเป็นหน้าขี้ของคนอื่นเป็นหน้าขี้ของตัวเองที่จะทําการรักษาการวางใจก็เป็นหน้าขี้ของเรา จะรักษาคนอื่นม่ใช่ขีดฆ่าพระพุทธเจ้ า, าบอกสอนแถวนั้นจะเอาหรยไม่เอาถ้าอมค์ดูถ้าไทยไหนเสียพระไทยถ้าองค์ไนมีอะไรสิจะมาบ่งปันจากเราเราเชื่อก็เปเหลือ่องให้เราเราดีก็เป็นเหลือ่องของเราจาึงควรทำตัวตัวเอตัวเองตัวเองอยากดีอยากมีความสุขอยากสงบแต่อยากคิดอยากดึงด อยากติดอยาคข้องเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆพยายามกำหนดให้จิดเด็ดจิดดยูมเงื่อนงำที่มีแตูตัวเวลาอยากจะให้จิด ก, ก็ติดได้อยากจะเฟร์ก็เฟร์ได้ใจที่เหนมีแต่ตูเฟรดดเ์อยู่ตลอด้วลาแต่มันเป็นทีหรือาปล่าอะไรมนะันออกมานเข้า คนผู้มีปัญญาเขาเลือกหาเว่าอะไรทั้งหมดอาหารใส่ปากใส่ท้องของเขาทานสำเร็จมาในถ้อยในจานเขาก็ยังเลือกก่างกระดูกเขาก็ต้องเอาออกนี่ปัญญาอรมของเรากป็นหนกันแข็งขันภายในเป็นหนงกันมันมีก่างมีกระดูก คื่จะทำให้เจ็บให้วใหเวียวใ้เดือดร้อนให้ตักหากเรามีตำยาที่นิพจนาเป็นคุณนมาอันนี้เป็นอกนาการเสนสาเส้นเจ็บตำเอาไว้จะทาใจให้เศร้าหมองทาใจให้เดือดร้อนเราทราบดีต่อเป็นของไหนดีเรากดถึงนั้นเชียอเใส่นั้นเชียอ์หนึ่คือ คนมีตัณย์ยาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหอบเอาหามเอาที่เดียวมันเกิดขึ้นอย่างไรจะเอาอย่างนั้นเอาสิ่งที่เลยควรเอามันที่สิ่งทีควรเอาเอาถ้าวมันจะเกิดยังเปืีกินต้องเกลัะติดคอต่างให้กนไปสีไปซ้อมนี่เรื่อง จิตใจของเราเรื่อยเทโลกมันมีอยู่อย่างน้คนที่มีปัญญาจึงสามารถที่จะพาหากจรากใจจากใจจากโลกได้คนที่มีปัญญาก็รู้เรื่งเลื่อยไปแทไมวันนี้เราหมองทาไมวันนี้งใสทาไมวันนี้สงบทำไมวันนี้ยินหวาสาเหตุมเคขึ้นจากอะไรทำไมพิจาามัน หรือจาสาเหตุในหรือจาของแข็งนั่นก็ยากการคิดการพูดการกินการด่มต่ต่างมันเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งจะให้จุดใจว่าเห็นคุณเนื่อไปได้ศึกษาไปได้แล้วต้องพิจารณาอะไรที่มันเป็นเหตุใหใจดีใจชั่ว เน่ยเรา จ, จับจิตมันได้ใจมัน ด, นดในใีมันกวนแล้กวนเรื่องเชเสียต่างๆในจิตในใจมนการศึกษาจากตัวเองจะเป็นเรตัวเองที่เรณาตัวเอ ง, น, น, เองนอนมากมันเ็อย่างไรกินมากมันเป็นอย่างไรพูดมากมั น, นเป็นอย่างไรนั่งมากนอนมากมันเป็นอย่างไ ร, เ, นน เ, งไรเรือแบบไหนที่เปนตัดไปจ้ะทจิต ทำใจให้สว่างไสวทนจิตทำใจให้ผ่องใสสงบเย็นและตรงที่ใจนะการกระทําการพูดการคิดของเราไม่อย่างนั้นก็หากและยากเหมือนคนตาบอกเดินทางนี่ส่ามันจะไปตกหรือตกบอกที่ไหนทำไม่มีตามองถึ เป็นอะไรจิตใจที่มนีปัญญาจึงถูกแบบนั้นเยมาบางทดีบางชั่วเพราเตลองเตล่เนึ่งที่จะมาหา้าเหตุอย่างของตัวเองหนือสาสาเหตุองเเองแตมีทางที่จะเนชื่อบรเทดีดูเถิดตะพีบัก็ื่อเรมาเป็นของ แหน่นอนถ้าฝึไปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างไรมันเป็นใจโลกทั้งโลกมันจะทะเลยไปแบบไหนใหมันเป็นใจกามันจะแตกขาวไปนมื่อไรจะให้มันเป็นเพราะทราบดีว่าสิหล่านี้มันเกิดขึ้นมันแตกดับสิ่งที่นารู้ในใจสิ่งเห่านี้แล้วมันจะแตกดับไป แติ่งเหลนี้ได้ไหมก็ทราบได้านมีเหลานี้ทางหวั่นไหวในมีทางเหลงไหลในมีทางเสียใจแต่ตางเรื่องขอโลกขขังขอฝึกในเห็นในเป็นภายในตัวเขาฝึกได้ความฝึกความสบายอะไรจะแต่เสดวิเศษเขาก็ฝึกถือหมดยุเหลือปัญหาในนีนาทีสั้นกตารางฝุกขัง สึกอื่นจากความสงบในนี้คือมันสงบอยู่ทุกรยะยะทุกเวลาทั้งที่ไป่มาที่คิดที่คิดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกเป็นทางแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันมีทางสงสันี่ค ถ, ถึงนักคดหลังคืลังสุกขางจริงจังเนอย่างนั้น แต่เราผ่านยังไมนเห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็พยายามทาไปในวันใดวันหนึ่งก็จะถึงได้เพียงแต่อยากจะถึงไม่ทำนั่นก็มีมีวันถึงมีอันได้มีวันเห็นแต่ทําดูก็มีวันที่จะได้จะเห็นจะเป็นไปได้การศึกษาธรรมะศึกษาจกตใจจิตใจทั้งตัว อไปศึกษาที ừ, ừ, ่อื่นแงอนเขาไม่หลือสิ่อนเราไม่เกิดขึ้นันก็มีอยู่อย่งนั้นงอื่นเราตายไปนั่นก็มอยู่อย่งนั้นอย่างยิ้ฟ้าอากาศมันคอยู่่งนั้นนั่นเงเลหาไปนเออเสียงิรถัมผัสานอนเดียว เราไม่เห็นมันต่อมีอยู่อย่างนั้เราไปเห็นเราไปตืนเต้นหน่าดูหน้าชมหน้าต้อนิต่างๆหน้านาก็คิตไปไหนก็คิดเฉียงกว่านี้กันมันมีอยู่ก่อนเราเกิดทีเหล่านี้มันมีอยู่แต่ม่ออกใครเานี้มันก็เล้ยเรือยไปใครเามัน กรณีอะไรจะสงสอดีตอนาคตเป็นอย่างไรดูแต่จิตันเข้าใจเทืยบถึงหมดนี่คือจิตเข้าไปถึงธรรมจริงจังโลกมไปหมดแตม้อไปหมดก็ดูแต่ตัวของตัวดูแต่เรื่องของตัวมันก็ถื่อไปอดีตอนาคตโลกจึงมมีทางสงสัย การภาวนาตป็นการแก้ปัญหาของจิตเป็นการทำจิตหน่อยรู้หน่อยใใจตามเป็นจริงอย่าเหนื่ตามเรียงทางนอกเรียงทางนอกเรียนได้ขนาดไหนก็เรียนไม่ได้เดี๋ยวสัญญาสัญญานุญาสัญญาอนัตตาเอ็นจะมีการหลงการลืมกามบังคับบัญชาในบ้านเป็นไปตามเรื่องของสัญญา แต่เรื่องภาวนาหาอริยสัจหัวใจอริยสัจนนกินงไปหมดอนอนาคต ม, มันมีแสงสจึงเป็นกาลสดเรื่องอจะเรียนต่อไปาจะเรียนอะไรอีกคือมันจบในจิตในในมีทางสงสถือกัน เมียนเป็นอานไม่ได้เน้นตัวในทางสงสัยในจิตในใจพอมันแตกหายสิ่งที่ติดข้องทั้งตัวออกหมดไม่มีการหลงไม่มีการลืมอรีตสัต์การปฏิบัติทั้งตัวดีเชื่อต่างๆที่มันละมันถอนมาได้เสียนเรื่องสัญญาอารม ภายในจึงจำเป็นที่จะเรียนคนหนึ่งอยากมีความสุขความสางบพาตั้งแต่ธรรมนียมเป็นโอกาสเวลาหน้าที่เป็นของทุกคนแต่ฐานที่ที่เรามาจะถือว่าเป็นต า, ากกปกติธรรมดาก็ววาสงก ใจจิตล้วสงบใจกิตเราไม่สงบอยู่ป่าอยู่วัดจะไข้ว้าเอาเรื่องอดีตอยู่จิดใด้านใดนะคิดมาเป็นอยู่ในใจสถานที่จะสงบขนาดไหนใจนั้นจะสับให้เพราะว่าจิตประตูบ้านไม่มีประตูอะไรมันจะเข้าไปใจเข้าไปได้ไง หักห่างเอาไว้ตั้งใจภาวนาแต่บริกรรมเลือกกำหนดลมก่อนาั้งใจจริงจปิดตายเก่อนเรื่องอดีตอนาคตเห็นมันสงบเห็นสงบเทนอัศจรรย์แล้วมันเป็นไปเองรื่องแตกใหญ่มันเดินเจอตกแล้วมันก็เดินไป อายใเป็นธรรมแต่นั้นตาจะเป็นธรรมหื้อจะเป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมหายใจเป็นธรรมายใจก็เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกก็เนี่ยเป็นที่เหลือปันหาต้็นหนึ่งเพียวรสึกสนจิตใจของตนให้เป็นธรรมโอกาสเวลาที่จะได้ศึกษาโอกาสเวลาที่จะได้มากระทํา บางสั่นบางคนก็มีนะบางสั่นบางคนก็มีมากสุท้านเมินก็มีเพื่อหนาทคืออะไรเดงจยวจะกำหนดจุดจิตเอื่อใจของตัวเพราะว่าก็มีการงานต่างๆมาโอกาสเวลามาอบรมศึกษามากระทํามันเพื่นยากแต่เมื่อมาถึงสถานที่ก็จะหอบหิ้สัญญาเรมณ์อดีต ผ่านมามาทําอยู่ในวัดในวังในปอยขึ้นละถอนไปต่างใจสนดความเพียรทันสติทัสัญญาของตัวยให้อยู่ในตัวยของตัวปลุกอเรมให้จิตสงบละงับสัญญาอารมต่างๆจะเห็นอนิสง จิตจะตั้งมั่นทัายงาน้ายนอกภายในจะได้สะดวกสบายและจิตมีกำลังจิตได้พักผ่อเนเรื่สมาธิจะเป็นของอัศจรรย์ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นเพี้ยงจังลง้ึงข่้นสมาธิอัปนาแล้วมันสดาไมันสงบ มันจ่ยวางไปทุกอย่างสัญญาอเลนที่เคยมีมาเกี่ยวข้องมันหมดใจ้าใจเนหนึ่งมีแต่ควารู้สึเท่านั้นแล่งกายถลยไปจะเจ็บปวดเหน็ดหนึ่อยเหนื่อยหงายไม่เหนือจ้ากดเพราหน่อออกมานอกมันเหลืว็หนึ่งของมันมันึงเกดอาการเอ๊ะ ทำไมความสุส่วนนี้จึงเป็นแบบนี้จึงละเอียดแบบนี้จึงลีกเสีดแบบนี้หากมเข้าไปถึงเต็มนั้นจะเห็อัศจรรย์เชื่อมั่นมากมาเรื่องจะหายก็เรื่องหายใจหายใจขชีวิตแสดงธรรมะหรือว่าข้อเจ้พเซ็นเซได้ ที่ปดูแสดงเป็นเออทำไมยุ่กนั่งคนางในกลาาตัวเองแล้วทุสงทุ่างไเกิดจากภายในไมเกิดจากภาอแต่วันนีือเกิดไเด้ลกกนหลงม่เกิดขร้นจักเจ้ของเรานักผลทาให้เกิด มันจะเกิดขึ้นจากจิตใจอีกเหมือนกันฉะนั้นอย่างการสดงการแสดงสิ่งมหเกิดกาแสดงที่อื่นทุกคนมโโ อ, อโลกกฎเหลวจิตต่างตปลีเรื่อมา